สื่อเรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยายโดยพระตรมกุณาพร์ออประยุตโตภาคหนึ่งมัชเชนธรรมเทศนาหลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ หรือทมที่เป็นกลางตอนหนึ่งชีวิตคืออะไรข้อขอชีวิตตามความหมายของมนุษย์และโดยสัมพันธ์กับโลกบทที่สองอาญตนะหกแดนรับรู้และเสพสวยโลก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 ภาคที่หนึ่งภาครับรู้และเสพสวยโลกอาศัยทวารหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจสาหรับรับรู้และเสพสวยโลกซึ่งปรากฏแก่มนุษย์โดยลักษณะและอาการต่างๆที่เรียกว่าอารมหกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะและธรรมารมทวารหกที่เป็นภาครับรู้และเสพสวยโลกนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ัทวารภาษาอังกฤษใช้คำว่า sense d o ร์ภาคที่สองภาคแสดงออกหรือกระทำต่อโลกอาศัยทวารสาคือกายวาจาใจหรือเรียกเต็มว่ากายทวารวจีทวารมโนทวารสำหรับกระทำตอบต่อโลกโดยแสดงออกเป็นการทำการพูดและการคิด คือแสดงออกเป็นกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมทวารสามที่เป็นภาคแสดงออกและกระทำต่อโลกนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากรรมมัทวารภาษาอังกฤษใช้คำว่า channels of action ในภาคที่หนึ่งคือภาครับรู้และเสพสวยโลกนั้นมีข้อที่พึงย้ำเป็นพิเศษเพื่อสะดวกแก่การศึกษาต่อไปว่าคาว่าทวารในทวารหกนั้น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 หรือการกระทําทางกายวาจาใจเกิดเป็นกรรมคือการทําการพูดการคิดในกรณีนี้สังขารจะถูกจัดประเภทเสียใหม่ให้สอดคล้องกับบทบาทของมันโดยแบ่งตามทางหรือตามถารที่แสดงออกเป็นกายสังขารสภาพปรงแต่งการกระทําทางกายวจีสังขารสภาพปรงแต่งการกระทําทางวาจาและมะโนสังขารสภาพปรงแต่งการกระทาทางใจ เรียกตามชื่อหัวหน้าหรือตัวแทนว่ากายสัญเจตนาความจงใจแสดงออกทางกายวจีสัญเจตนาความจงใจแสดงออกทางวาจาและมโนสัญเจตนาความจงใจแสดงออกทางใจหรือเรียกตามงานที่ทําออกมาว่ากายกรรมการกระทําทางกายวจีกรรมการกระทําทางวาจาและมโนกรรมการกระทําทางใจ แสดงให้เห็นง่ายขึ้นดังนี้กรุณาดูแผนภูมิที่สองทัหนึ่งประกอบด้วยซึ่งแผนภูมินั้นอ่านได้ดังนี้คือหนึ่งกายสังขารคือสภาพปรุงแต่งการกระทําทางกายเท่ากับกายสัญเจตนาความจงใจแสดงออกทางกายที่ว่าทางกายก็ใช้ศัพท์ว่ากายทวารงานที่ทําออกมาเรียกว่ากายกรรม การกระทำทางกาย 2. วจีสังขารคือสภาพปรุงแต่งการกระทำทางวาจาเท่ากับวจีสันเจตนาความจงใจแสดงออกทางวาจาที่ว่าทางวาจาก็ใช้ศัพท์ว่าวจีทวารงานที่ทำออกมาเรียกว่าวจีกรรมการกระทำทางวาจา 3. มโนสังขารคือสภาพปรุงแต่งการกระทำทางใจ เท่ากับมโนสัญเจตนาความจงใจแสดงออกทางใจที่ว่าทางใจก็ใช้ศัพท์ว่ามโนทวานงานที่ทำออกมาเรียกว่ามโนกรรมการกระทำดังใจสังขารในฐานะเครื่องปรุงแต่งคุณภาพหรือคุณสมบัติต่างๆของจิตได้กล่าวแล้วในเรื่องขันห้าส่วนสังขารในฐานะกระบวนการปรุงแต่งแสดงออกและกระทำการต่างๆต่อโลก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 ภาครับรู้และเสพสวยโลกหรือผัสสะทวารอย่างเดียว